เรื่องการบรรพชาของสหายสีคนของพระยศัตร์ข้อ30สหายเครือัตของท่านพระยศัก์สีคนคือวิมละสุภาหุปุณณชิภวัมปติเป็นบุตรของตระกูลเศรษฐีใหญ่น้อยในกรุงพาราณสีได้ทราบข่าวว่ายาศากุลบุตรกวนผมและนวดนุ่งหมผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว ครันสหายเครือัดได้ทราบข่าวแล้วจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าทำวินัยและบรรพชาที่ยศกุลบุตรกวนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตนั้นคงจะไม่ต่ำสามเป็นแน่ครั้นแล้วสหายเครือขัดเหล่านั้นได้พากันเข้าไปหาท่านพระยะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ไหว้ท่านพระยสศแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรครั้งนั้น ท่านพระยาศาได้พาสหายเครหัส่ายสี่คนไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรท่านพระยาศะผู้นั่งหน้าที่สมควรได้กล่าบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าสหายเครหัส่าของข้าพระองค์สี่คนเหล่านี้คือวิมลสุภาหุปุณณชิข่าวมปติ เป็นบุตรของตระกูลเศรษฐีใหญ่น้อยในกรุงพาราณสีขอพระองค์โปรดประทานโอวาทสั่งสอนสหายของข้าพระองค์เหล่านี้เถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุภุพิกถาคือทรงประกาศ 1. ทานกาถา 2. ศีลกาถาสสักฆะถา 4. กามาทีนวะกาถา 5. เนคขมานิสังสักถาแก่สหายเหล่านั้น เมื่อทรงทราบว่าพวกเขามีจิตควรอ่อนปราศจากนิวร์เบิกบานของใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกสมุทัยนิโรธมักทำจากสุอันปราศจากธุลีปราศจากมนถินได้เกิดแก่พวกเขนณทที่นั่งนั้นแลวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ํายอมได้เป็นอย่างนี้พวกเขาได้เห็นธทำแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งธทำแล้วอย่างลงสู่รำแล้วข้ามความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้กล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําของพระศาสดาได้กราบทูลพระผู้มี ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์พึงได้การบันระรชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าพวกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นได้เป็นการอุปสมบทของท่านเหล่านั้น หลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงประธานโอาวาทสั่งสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยธรรมีกะถาเมื่อทรงประธานโอาวาทสั่งสอนด้วยธรรมีกถาอยู่จิตของภิกษุเหล่านั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นครั้งนั้นมีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในโลกสิบเอ็ดครูปเรื่องการบรรพชาของสหาย4คนของพระยศสารจบ